คุณพระพิสารพัฒนาทรถท้าวรจิตตะท้าวโรวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครเสนอสารธรรมจากบทประพันธ์ของวสิณอินทสระเรื่องพุทธจราิา มีประภาคทรงเห็นว่าจิตใจของพัทธวกคคีอ่อนโยนพอที่จะรับพระธรรมเทศนาอื่นได้แล้วพระองค์จึงทรงแสดงอรุปรพิกถาพานาณาย้ำถึงกามาทีนกโทษของกามและอนิสงฆ์แห่งการเปิดตอนออกจากกามเพื่อให้จิตใจของพวกเขาละเอียดอ่อนพอที่จะรับพระธรรมเทศนาเบื้องสูงจึงทรงประกาศจตุราริยสัต เมื่อจบเทศนาพัทวัคคีทั้งสามสิบคนก็มีจิตเกิดพ้นจากอาสวะธรรมบางประการเป็นโสดาบันแล้วส่งประทานอุปสมบทส่งไปประกาศเพรอมาจรรันทร์เช่นเดียวกับพิกษุ6กสิบรูปพวกแรกพระผู้มีพระภาคเสด็จพุทธดำเนินโดยลาดับจนถึงตำบลอุรุเบลา ซึ่งเป็นที่อาศัยอยู่ของเฉลียนสา พ, พี่น้องกับบริวารคืออุรุเวลกสปะมีบริวารประมาณห้าร้อคนมุทีกสปะมีบริวารประมาณสามร้อคนและขยากสปะมีบริวารประมาณสองร้อคนสร้างอาสมอยู่ริมฝั่งแห่งแม่น้ำเลรัญชราเรียงลําดับกันลงไปพี่ชายใหญ่อยู่ต้นน้ํา น้องชายกลางอยู่ท่ามกลางและน้องชายเล็กอยู่ภายใต้ลงไปพระศาสดาเสด็จเข้าไปสู่สนักของอุรุเวรกษษกักสตากอนทรงสนทนาด้วยอย่างนุ่มนวลว่าถึงเวลาใกล้คำ่ำพระองค์ทรงขออาศัยพักที่นั่งด้วยแต่อุรุเวรักสตากปฏิเสธว่าพระสมณาคโคดม ข้าพเจ้าเสียใจที่ไม่มีที่พักอาศัยเลยอาสมทุกหลางเต็มหมดพวกเราไม่ได้สร้างอาสมไว้สําหรับอาคันตุกาเลยขอเชิญท่านไปพักที่อื่นเถิดท่านกสัส ป, ปะที่บูชาเพลิงของท่านยังพอมีที่ว่างพอที่จะนอนค้างคืนได้สักคืนหนึ่งไม่ใช่หรือที่ว่างนั้นมีท่านสมณะโคดมแต่ว่าที่โรงบูชาเพลิงมีเทวรูปมาปลกอันศักดิ์สิทธ มืมหิตทานุภาพมากใครเข้าไปอาศัยนอนจะเกิดอันตรายตั้งแต่มีโรงบูชาเพลิงขึ้นมายังไม่เคยมีใครกล้านอนแรมคืนในที่นั่นเลยข้าพเจ้ากเกรงว่าจะเกิดอันตรายแก่ท่านจึงไม่กล้าให้ท่านแรมคืนที่นั่นอุรุเวลกสปะพูดอย่างภาคภูมิเขาได้ประดุมความศักดิ์สิทธิ์แห่งสถานที่ไว้ด้วยเดชแห่งตนช่างเถิดท่านกสปะ ถ้าท่านเต็มใจให้ข้าพเจ้าพักในที่บูชาเพลินั้นข้าพเจ้าจะขออาศัยที่นั่นหากมีอันตรายเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอรับผิดชอบชีวิตของข้าพเจ้าเองคำพูดนี้ข้าพเจ้าขออ้างอวสานทั้งหลายของท่านซึ่งอยู่ณที่นี้เป็นพยานว่าข้าพเจ้าได้ให้สัญญากับท่านไว้อย่างนี้ถ้าอย่างนั้นก็ตามใจท่านอุรุเวลากระสตะกล่าว จริงๆว่าที่โรงบูชาเพลิงนั้นศักดิ์สิทธิ์มากใคร ก, กล้ามกายไม่ได้ยุเทรโรกนาตปกซึ่งเป็นที่เครารพบูชาของพวกเขาเมื่อพระผู้มีประภาพแสดงความกล้าหาญไม่มีอาการสะทกสะท้านเลยที่จะพักค้างแรมที่นั่นพวกเขารู้สึกทึ่งมากและจับกลุวิจารณกันไปต่างๆนานาแต่พระพุทธองค์ทรงอาศัยในสถานที่บูชาเพลิงนั้น สุขสบายตลอดลาตรีและในลาตรีนั้นน่ก็ทรงวางแผนที่จะสอนอุรุเวละกัสปะกับบริวารให้เลิกละลับทธิอันไม่มีสาระนั้งเสียเมื่อรุ่งอรุณอุรุเวละกัสปะและพวกชดินบริวารจํานวนมากได้เดินเตร่มาแถวโรงบูชาเพลงิงเพื่อให้รู้แน่ว่าพระสมณะโคโดมยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ เมื่อเห็นพระองค์เสด็จออกจากโรงบูชาเพลิงด้วยอาการผ่องใสและไม่มีริ้วรอยแห่งความหวาดพิตกใดๆเลยก็เกิดอัศจรรย์ใจเป็นอันมากแต่มีอาการยามเกรงพระผู้มีพระภาคมากขึ้นพระพุทธองค์ตรัสถามอุรุเวละกัสปะว่าอุรุเวละกัสปะท่านละบริวารองเพ็ญตะบะบูชาเพลิงมานานปีแล้วหรือท่านสมณะโคดมพวกข้าพเจ้าทํามานานปีแล้ว ท่ามีความมุ่งหมายอะไรในการบูชาเพลิง น, นั้นและท่านได้รับผลอะไรเป็นเครื่องตอบแทนอุรุเวลกัสปะนิ่งอึ้งไปทักหนึ่งเพราะตนเองก็ไม่แจ่มแจ้งนักว่าการบูชาเพลิงของตอนนั้นมีจุดมุ่งหมายอย่างไรไม่เพียงแต่นักรดอุรุเวลกัสปะดอกที่ตกอยู่ในฐานะนี้มีนักบวชจํงงานวนน้อยที่บวชไปบวชไปโดยไม่รู้ว่า การบวชของตนมีจุดมุ่งหมายอย่างไรเพื่ออะไรบางทีจุดมุ่งหมายเดิมก็ดีอยู่ดอกแต่บวชไปบวชไปมีหลายสิ่งหลายประการเข้ามาแทรกแซงในชีวิตเช่นลาบสการะและชื่อเสียงจึงทําให้จุดมุ่งหมายเดิมนั้นเสียไปเคว้ไปในที่สุดจึงไม่รู้ว่าตนบวชทําไมและอยู่เพื่ออะไร แม้เคยหัดบังคับก็เหมือนกันสิ่งที่ตนทําอยู่ทุกวันทุกวันก็ไม่อารู้จุดมุ่งหมายได้ว่าตนทําถึงนั้นเพื่ออะไรพราะถูกถามเข้าก็งงไปพักหนึ่งบางทีก็รู้เหมือนกันว่าถ้าเปลี่ยนไปทำอีกอย่างหนึ่งจะมีผลดีมากกว่าทั้งทางด้านวัตถุและด้านจิตใจแต่ไม่รู้อะไรเหนี่ยวร่างไว้ให้ต้องทําในสิ่งที่มีผลน้อยทั้งสองด้าน ในที่สุดอุรุเวลกัสปะกล่าวว่าท่านสมณะโคโดมเพลงนั้นมีควัมป่วยพุ่งขึ้นสู่อากาศข้าพเจ้าทราบมาว่าสิ่งนั้นเป็นสื่อไปถึงเทตเจ้าแล้วท่านจะโปรดปรานประทานพรสิ่งที่ประสงค์ให้ท่านเคยได้รับอะไรตอบแทนจากการที่ท่านเฝ้าบูชาอยู่เป็นเวลานานข้าพเจ้าหมายถึงท่านเคยได้เห็น หรือเคยได้รับรางวัลอะไรจากเทพเจ้าที่ท่านบูชาอยู่บ้างขอท่านตอบตามความเป็นจริงไม่เคยเลยพระโคโดมอุรุเวลกัสปาตอบหลังจากที่ตึดตรองอย่างดีแล้วถ้าอย่างนั้นการบูชาของท่านก็ไม่ได้ผลตามที่ท่านต้องการใช่หรือไม่ข้าพระเจ้าสงสัยเหมือนกันพระโคโดม ผู้รู้เวรกระสบัดเลยถ้าบุคคลสามารถได้สิ่งที่ตนประสงค์ได้กิดง่ายเพียงแต่การบูชาเพลิงถวายเทพเจ้าแล้วในโลกนี้ใครเล่าจะเป็นผู้ที่ยากจนแหวนแคนใครเล่าจะพลัดพลากจากสิ่งที่ตนประสงค์ท่านอาจพิสูจน์ตัวของตัวเองได้ว่าหากใครสักคนหนึ่งก็โจรลงไปในกองเพลิงเพื่อนำเอาตัวเองเป็นเครื่องบูชาเทพเจ้า คนนั้นก็ท้องตายกล่าวเทพเจ้าจะช่วยอะไรไม่ได้เลยเมื่อเป็นเช่นนี้อะไรเล่าจะช่วยให้เราบรรลุจุดประสงค์ได้นอกจากตัวของเราเองตอนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนเมื่อปราถนาสิ่งใดก็จงเอาตอนนั่นแหละเป็นที่พึ่งพยายามบากบั่นในทางที่ชอบเพื่อให้บรรลุผลที่ต้องการนั้น พระศาสดาทรงสแสดงเหตุผล อ, อื่นๆเป็นอเนกกระปริยายโน้มน้าวจิตใจของอุรุเวลกัสปะจนกระทั่งนักพรตผู้นิยมบูชาเพลงนั้นเห็นตามยอมสละละทัทธิเดิมขอบรรพชาอุปสมบทพร้อมทั้งบริวารได้น้อชด า, ราบริขารต่างๆและเครื่องบูชาไฟไปตามลำน้ำเมรันชารา ชาเพลิงลอยไปตามกระแสน้ำเข้าใจว่าเกิดอันตรายแก่พี่ชายตนจึงชวนบริวารสามร้อยคนมาสู่สำนักของพี่ชายในเห็นลุกเวลักษสปะถือเพศิเป็นพิษุแล้วถามทราบความว่าพระมรจานี้ประเสริฐดักจึงน้อยชดาและบริหารเครื่องพดเครื่องบูชาเพลิงของตนเสียในแม่น้ำ แล้วพร้อมด้วยบริวารเข้าเฝ้าพระาศาสดาทูลขออุปสมบทพระองค์ก็ประทานอุปสมบทแก่เธอทั้งหลายส่วนขยากักดปะกน้องชายน้อยก็ทำานองเดียวกันไปย้อมตงเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยวิธีนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสมราภพระอริยบทีอยู่นะอุรุเวลาเสนานิคม เพื่ออบรงปมงิสายภิกษุปุรานาดินทั้งพันสามรูปให้แก่กล้าเหมาะแก่การรับพระธรรมเทศนาชั้นสูงแล้วจึงได้พาภิกษุเหล่านั้นไปสู่ตาบลขยาศรีศักใกล้แม่น้ำขยาสรงแสดงอาทิตต์ปรยายาสูตรอันว่าด้วยไฟภายในโปรดภิกษุเหล่านั้นเพื่อให้บรรลุคุณธรรมอันสูงสุดในพรมจรรย์ของพระพุทธองค์ต่อไป คืออายะตนาภายในหกอันได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจและอยะายะตนะภายนอกหกคือรูปเสียงกลิ่นรสโภชพะและธรรมารมณ์อายะตนาสัมผัสคือการกระทบกระทั่งระหว่างตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับโภชพะและใจกับอารมณ์ก็ล้วนเป็นของร้อนร้อนเพราะอะไร อะไรมาทําให้ร้อนเล่กล่าวว่าร้อนทพไฟคือราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอันจักเป็นเพลิงกิเลสร้อนทพไฟคือความเกิดความแก่ความตายความโศกความพิ่าปรำพันความทุกข์กายทุกใจและความท้าแข่ใจเพลิงกิเลสและเพลิงทุกทั้งสองประการนี่แหละมาเผาให้ร้อน สาวกของพระอริยะผู้ได้ฟังแล้วเห็นป่านี้ย่ำเบื่อหน่ยในสิ่งทั้งปวงมีตาและรูปเป็นต้นเพรกลัวร้อนเมื่อเบื่อหน่ายย่างคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจิตก็หลุดพ้นจากการยึดแั่นถือมัน่นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วความรู้ว่าหลุดพ้นแล้วก็เกิดขึนอริยสาวกนั้นทราบชัดว่าความเกิดสิ้นแล้ว พระมาจันได้อยู่จบแล้วกิจที่จะต้องทำได้ทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอะไรที่จะต้องทำเพื่อให้ได้รับผลอย่างนี้อีกข้อความสำคัญในอาธิตะประยายสูตรมีเพียงเท่านี้เมื่อพระศ า, าสดาสแสดงธรรมจบลงพิสูจปุราณชจดินทั้งหนึ่งพันสามรูปได้สมเด็จเป็นพระอรหันต์ทั้งหมด โดปกติตาและรูปเป็นต้นในตัวของมันเองก็ร้อนเพราะความแก่ความเจ็บและความเปลี่ยนแปลงโดยธรรมดาอยู่แล้วเมื่อไฟคือราคาบ้างโทรศับ้างโมหะบ้างช่วยเผาเขาอีกความร้อนก็รุนแรงมากขึ้นเสมือนบุคคลอยู่ท่ามกลางเพลิงสองกองที่โชนเพราะลมเชื่อทุกครั้งที่ถูกราคารบกวนย่อมเกิดความกระวลกระวายให้สงบเย็น เหมือนขณะที่ปา่าจะจากราคะในโทรศัพท์และโมหะ ก, ก็เช่นกันอนุทั้งหลายจึงดินน้นอยู่ในกองเพลงเพราะความจําเป็นมนาครบ้างเพราะสมยอมบ้างแต่โดยส่วนมากมักเป็นเพราะสมยอมมาก่อนทั้งนี้เพราะสิ่งที่ให้ทุกอันย่ดเยื้อนั้นมักมีความสุขเล็กเล็กเลกน้อยฉาบทาและล่อไว้ให้เพลินใจในเบื้องต้นนี่เอง นักบวชปุราณชดินเหล่านั้นเคยประพฤติพลดูชาเพล่งมาก่อนเพราะผู้มีประพาสจึงทรงแสดงธรรมอันปฏิสังยุตต์คือเกี่ยวเรื่องด้วยไฟเพื่ออนุรุตแก่ปุพพจริยาแห่งเขาเหล่านั้นบัดนี้พระผู้มีประพาคทรงมีพระสาวกมากแล้วและพิสูปปุราณชดินเหล่านี้มีความสําคัญอย่างยิ่งยวดในการผลิตสถานศาสนาในแครนคต ตามที่กล่าวมาแล้วพระพุทธองค์ประทับอยู่นะตำบลขยาศีสากตามพระพุทธอทตถยาศัยแล้วจึงเส็จเข้าสู่กรุงราชคฤก์เพื่อโปรดพระเจ้า พ, พิมพิสารพระชจ้ามณีประทับยับยั้งอยู่นสวนตาหนุ่มพระเจ้าพิมพิสารทรงสลับข่าวอนันระเบือกระชอนเกี่ยวกับพระพุทธมีพระพาเจ้าว่าบัดนี้ประสิท ธ, ธะโคตรนะ เพื่อออกเบิจากสาขาตระกูลได้สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์ก็รู้เองโดยชอบสมบูรณ์ด้วยวิชาและเจรณะสเสด็จไปเพื่อความสวัสดีของผงชนทรงรู้จากโลกอางแข่มแจ้งทรงเป็นสารถีเุกคนที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้โบราล ต่สมเด็จผู้มีโชคในทุกขมทุกแห่งการได้เฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นงาบอันประเสริฐพระเจ้าเึงพิสารพร้อมไม่ราชบริพานสิบสองส่วนจึงเสร็จออกไปเฝ้าพระาศาสดาในสวนตาหนุ่มข้าราชบริพาลบางพวกก็จระกาศนามและโคดของตนบางพวกเพียงจะถวายบังคมบางพวกงก่ายเฉย และบางพวกก็มีเสียงอื้อเอเป็นที่สงสัยว่าเพราะสมณะโคโดมกับท่านอุรุเวรัสปะคใครเป็นสาวกใครเป็นสาวกันแน่ ใช่หรือเธอรู้อย่างไรเห็นอย่างไรจึงละทิ้งการบูชาไฟอันเป็นเดชของพวกเธอพระอรุกเวรัสกัสปะกราบถวลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคยังทั้งหลายกล่าวสรนเสริญผลคือรูปเสียงกลิ่นและรสที่สัตว์ปรารถนามุ่งผลตามทางเห็นรูปเสียงเป็นต้นเป็นที่ตั้งสิ่งเหล่านี้จัดเป็นกามข้าพระพุทธเจ้าเมาื่รู้ภายหลังว่า ผลของการนั้นเป็นมูนถิ่นเครื่องเศร้าหมองเป็นการตกอยู่ในอำนาจกิเลสการบูชายันต้องการผลที่เป็นมูนถิ่นแตงนั้นเพราะฉะนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้ยินดีในการเซ่นและการบูชาเพลิงที่ได้เคยทํามาแล้วในป่าก่อนดูก่อนอุลุเวละกสปาเมื่อเธอไม่พอใจในอารมณ์มีรูปเป็นต้นแล้วใจของเธอไปพอใจในสิ่งใดเล่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระพุทธเจ้าได้มองเห็นทางสงบอันปราศจากกิเลสบนดินทั้งปวงแล้วจึงพอใจยินดีในความสงบนั้นไม่ติดอยู่ในกามะพเรื่องนี้ปลากฏแจมแจ้งกระจของข้าพระพุทธเจ้าเองเพราะฉะนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงเลิกละการเช่นสวงและการบูชาพเพลิงซึ่งเคยได้ประพฤติมากลาบทูลดังนี้แล้ว พระอรุณเวลกสปะก็ลุกจากที่นั่งทำผ้าห่มเฉวียงหมาข้างหนึ่งสพศีรากลงที่พระบาทของพระศาสดาทูลประกาศว่าพระองค์ทรงเป็นาศาสดาของข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าไปสาวกฟังคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ พระเจ้าพิมพิสารและราชบริษัททั้งปวงก็สิ้นสุดลงพวกนั้นทราบแน่ว่าพระผู้มีพระภาคทรงเป็นศาสดาและพระอุรุเวลักษสปากเป็นต้นเป็นสาวกของพระศาสดาจึงตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาด้วยความเคารพพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอรุปรพิกถาและอริยสัจประกาศจากคือธรรมอันประเสริฐ เมื่อพระธรรมเทศนาจบลงพระเจ้าบินพิสารราชาแห่งมคต ร, รัชก็ทรงได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นโสดาบันส่วนราชบริพารสิบเอดส่วนก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเช่นกันอีกส่วนหนึ่งปฏิยานตนนับถือพระรันาตนตรัยตลอดชีวิตพระเจ้าพิมพิสารได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลว่าบัดนี้มโนปริธานของพระองค์ ได้สเร็จบริบูรณ์ครบแล้วทั้งห้าประการคือเมื่อสมัยเป็นว่าชกุมารได้ทรงตั้งความปรารถนาไว้ว่าหนึ่งขอให้ได้รับอภิเศกเป็นพระเจ้าแผ่นดินมรดกสองขอให้พระอาหารหันต์ผู้รู้เองเห็นเองโดยชอบมายังแวดแหวนสาขอให้ข้าพระพุทธเจ้าพึงเข้าไปแน่วใกล้พระอาหารหันต์นั้นสี่ ขอให้พระอรหันต์นั wow, ้นพ really ah ึงแสดงธรรมแก่ข้าพระพุทธเจ้าและห้าขอให้ข้าพระพุทธเจ้าพึงรู้ทั่วถึงธรรมของพระอรหันต์นั้นเมื่อพระเจ้าเป็นพิสารทูลถึงความปรารถนาของพระองค์เช่นี้แล้วจึงทรงสังเสริญพระธรรมเทศนาว่าแจ่มแจ้งแจ่มแจ้งเละเกินมันหลายของที่คว่ำเปิดของที่ปิด บอกทางแก่คนหลงทางและส่องประทีปในที่มืดให้คนมีจกักษุได้เห็นรูปท่งแสดงตนเป็นอุบาสกแล้วทูลเชิญพระาศาสดาและหมู่สาวกเพื่อสวยพัตตาหารที่พระราชนิเวศในวันรุ่งขึ้นพอผู้มีประภาคทรงรับด้วยพระอาการดุษนีพระเจ้าพิพิสารถวายบังคมและทรงกระทงประทักษิณแล้วเสด็จกลับพระราชวางัง ได้ปราศสั่งพนักงานให้ตกแต่งอาหารและของเคี้ยวของฉันอันประนีตเสร็จแล้วรุ่งเช้าจึงรับสั่งให้ราชบุรุษไปกราบทูลพัะการ เจ้าเป็นผู้สานทรงอังฆาพระศาสดาและยพิสุทสงฆ์ด้วยพระหัตของพระองค์เองเมื่อเสร็จพัฒกิจพระศ า, าสดาทรงอนุโมทนาพระราชาหแห่งแงควงกฏทรงพระราชดําริถึงสถานที่ประทับแห่งพระศ า, าสดาทรงพิจารณาเห็นว่าพระราชพยานเวลุวันสวนไผ่เป็นที่ไม่ใกล้ไม่ไกลโกจลละคร ม, มีทางไปมาสะดวกผู้มีธุระพอไปถึงได้ กลางวันไม่เกินกลลด้วยหมู่มนุษย์กลางคืนก็เงียบสนัดไม่มีคนเดินเข้าเดินออกสมควรอย่างยิ่งที่จะเป็นที่พำนักแห่งผู้มังบีเวกเมื่อทรงมรรชนีแล้วจึงทรงจับพระเจ้าทองเต็มด้วยนา้าเทลงถวายพระราชุิยานเวรวันนั้นแดบบ่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นกระมุกพลางทูลว่า ข้าแต่ประผู้มีพระภาคขอพระองค์และพระสู ง, สงจงรับกระไรทีพยายามเวรวันไวเป็นที่ประนักเพื่อประโยชน์เพื่อกลและความสุขแก่ข้าพระพุทธองค์และเพื่อเป็นประโยชน์แก่ชาวมกททั่วไปเด้วยเถิดเพื่อประโยชน์เพื่อกลและเพื่อความสุขคำนี้มีความหมายแก่ชีวิตมนุษย์ทุกชีวิตเพราะมนุษย์ต้องการประโยชน์เพื่อกลและความสุข ผู้ใดหรือสิ่งใดให้ประโยชน์และให้ความสุขแก่เขามากเขาย่อมต้องการและหวงแหนสิ่งนั้นผู้ใดหรือสิ่งใดร้ประโยชน์สิ่งนั้นรู้บุคคลนั้นย่อมไม่เป็นที่ต้องการของใครแม้แต่มารดาบิดาเขาย่อมต้องการบุตรต้องการธิดาที่มีประโยชน์เี็คุณค่าแก่ครอบครัวและสังคมสังคม ย่อมต้องการและเอบอุ้มเชิดชูคนมีประโยชน์พยายามทําตนให้มีประโยชน์เถิดย่อมไม่ไร้ผู้ต้องการข่าของคนจะสูงหรือต่ําก็ตรงที่เขามีประโยชน์มากหรือน้อยเพียงใดเมื่อตนผู้ตนไม่ทําตนให้มีประโยชน์และไม่มีผู้ต้องการแล้วจะโวยวายเอากับใครเล่าเพราะผู้มีพระภพเจ้าทรงเป็นผู้มีประโยชน์อย่างยิ่ง พระองค์เสด็จไปที่ใดก็อํานวยความสะดุขให้แก่ชุมุมชนณที่นั้นพระองค์จึงเป็นที่ต้องการเป็นที่พึงประสงค์ของคนทุกหมู่เหล่าจนได้พระนามว่าสุขโตพระผู้เสด็จไปงามเสด็จไปดีเสด็จไปชอบและทรงมีพระวาจาชอบข้อแรกที่ว่าเสด็จไปงามนั้นคือทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ไร้หมุนทิน เสด็จไปตามทางแห่งอริยมรรคมีองค์แปดที่ว่าสเสด็จไปดีนั้นคือสเสด็จไปสู่ที่ที่ดีแล้วสเสด็จไปสู่ภาวะอันดีคืออมตะมหานิพพานที่ว่าสเสด็จไปชอบนั้นคือกิเลสใดที่พระองค์ทรงละได้แล้วก็ไม่ทรงแวะเวียนมาสู่กิเลสอันนั้นอีกทรงละได้อย่างเด็ดขาดข้อว่า ทรงมีพระวาจาชอบนั้นคือทรงมีพระนับพัะควรในฐานะที่ควรแั่พระวาจาที่จริงแท้มีประโยชน์ตามกาลเทศะอันเหมาะสม สุทยานเวรุวันเป็นสังฆารามแล้วตรัสแก่พระเจ้าเมพิสารอนุอนมโมทนาในเศนาสนทานมีอาทีว่ามหาบอพิษส ป, ปายะธรรมคือสิ่งอำนวยความสะดวกสบายของบุคคลนั้นมีอยู่สี่ประการคือหนึ่งอาหารส ป, ปายะคือความบริบูรณ์ด้วยอาหารไม่ขาดแคลนสองบุคคลส ป, ปายะ คือการมีกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนร่วมใจได้อยู่ในระหว่างบุคคลผู้มีศีลดีมีธรรมงามสามเสนาสนะสตายะคือการได้ที่อยู่อาศัยสะดวกสบายเป็นที่รื่นรมไม่ร้อนเกินไปหนาวเกินไปเหมาะแก่การประกอบกิจประเภทนั้นและสี่ธรรมะสตายะกล่าวในฝ่ายบรรพชิตได้แก่การปฏิบัติธรรมข้อที่เหมอะแก่อัตยาศัยแห่งตน เช่นคนนี้โทรศัพท์เป็นเจ้าเรือนได้เจริญเมตตาภาวนาไปต้นกล่าวในฝ่ายค้นหัด้แก่การทำงานอนตนชอบถูกกับอัธยาสายตนเมื่อบุคคลได้สปายะธรรมทั้งสี่ประการย่อมมีความรื่นรมและพอใจในการทำความเพียรเพื่อก้าวหน้าในกุศลธรรมการที่พระองค์ถวายพระชุติยานเวรวันเป็นสังคาราม เพื่อความอยู่เป็นสุขแห่งพิสุท์ทั้งหลายนั้นชื่อว่าไดมอบถวายแล้วซึ่งเสนาสนะสปายะแก่พิสุสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกเสนาสนะภานีมีผลมากมีอาณิสงภยสัยศาลเป็นทางที่บรรลทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นสังเสริญได้ว่าเป็นเลิศบุคคลผู้เคาอยู่อาศัยในเสนาสนะใด แล้วมีความสุขทั้งกลางวันและกลางคืนผู้ให้เสนาสนั้นชื่อว่าได้รับบุญทั้งกลางวันและกลางคืนเสนาสนั้นยังอำนวยประโยชน์สุขอยู่ตราบใดผู้มอบให้ก็ยังได้รับผลบุญอยู่ตราบนั้นเพราะฉะนั้นเสนาสนานจึงจัดเป็นทานอนเลิศปัจนี้มหาบุิพิตรได้ทรงกระทาฐานอนเลิศแล้ว ยังมจะรับผลัลเลิศเป็นเครื่องตอบแทน สองเกิดในตระกูลที่มั่งขั่งเป็นสหายรักใคร่กันมากกินด้่ยกันเล่นด้วยกันและดูมหรสัพด้วยกันเสมอเสมอผู้ใหญ่ทั้งสองตระกูลก็มีความรักใคร่รักถือกันดีวันหนึ่งสองสหายไปดูมหาลัคพบยอดยเขาในขณะที่คนดูเป็นอันมากกำลังสนุกสนานว่าเรืออย่างเต็มที่นั่นเองอุปติสสะไม่ได้หัวเราะเย้ยแย้มอย่างเคย คงมีสีหน้าเฉยเป็นปกติเหมือนไม่ได้ดูมหหรสพกโกนิตาผู้เป็นสหายไมาเห็นอาการของอุปติศาเชนั้นปะลาดใจจึงถามว่าอุปติศาสหายรักลังก่อนก่อนอ น, อ น, นี้มาดูมหหรสศกท่านก็ราเริงแจ่มใสหัวเราะในเรื่องที่ควรหัวเราะตกรางวัลให้แก่คนแสดงไปโอกาสเปนควรแต่วันนี้สหายเป็นอะไรไปรึ จึงดูเฉยเฉยเหมือนกับ น, นักรตผู้เแข็งตะบักอย่างนั้นแหละโคริตาที่ท่านพูดนั้นถูกเจ้าแล้ววันนี้แม่กายของข้าพเจ้าจะเป็นคึหัดแต่ว่าจิตใจของข้าพเจ้านั้นอัอนดีแต่ความรู้สึกเหมือนกับ น, นักพรตอย่างไรนะท่านหมายความว่าอย่างไรวันนี้และเวลานี้ข้าพเจ้ารู้สึกสำเวชสลดใจเหลือเกิน ด, ดูไปแล้วชีวิตเราและชีวิตคนทั้งหลายเหล่านี้รวมทั้งคนดูและคนแสดงละครช่างไร้สาระเหลือเกินนี่งแต่เอาความสนุกสนานสำาใจท่านดูนะสิคนที่จีกรองแก่หงอมแล้วเด็กผอมเห็นซี่โครเหมือนกรเรือนที่นั่งอยู่ใกล้นั่นคงจะเป็นหลานของแกแก่ต้องเรียนดูข้าพเจ้ารู้สึกว่าคนทั้งหมดเหล่านี้ จะต้องเดินแถวไปสู่ที่ตายตามลำดับบ้างรับเป็นดับบ้างสนุกกันไปอย่างนี้ชีวิตก็เป็นหมันไม่มีสาระอะไรเลยพวกที่กําลังดูละครเล่าเมื่อเขาแสดงสนุกคนดูก็หัวเราะเมื่อเขาแสดงเศร้าคนดูก็เศร้าไปตามพวกสตรีถึงกบร้องไห้เก็มีข้าพเจ้ารู้สึกว่าเป็นละครก็เป็นหมดแล้วทั้งคนดูและคนแสดง โลกมนุษย์จึงน่าจะเป็นโรงละครโรงใหญ่ทุกคนในโลกล้วนเป็นตัวแสดงที่ต้องวุ่นะบ้างร้องไห้บ้างดีใจบ้างเสียใจบ้างข้าพเจ้าคิดอย่างนี้แหละสหายจึงไม่ได้ว่าริงเหมือนวันก่อนสหายข้าพเจ้าก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกับท่านน่าแปลกทีนะทําไมความรู้สึกอันนี้มันจึงได้เกิดขึ้นพร้อมกัน วาดเขาขณะที่มาขอรับศพยังไม่เลิกเขาเดินปรึกษากันลงมาที่เชิงเขาวว่าจะทำํำยังไงดีจึงจะให้ชีวิตมีประโยชน์คุ้มค่าไม่ตายไปเปล่าเราควรสแสวงหาทางสมบกแห่งชีวิตสแสวงหาสิ่งอันมีคุณค่าแก่ชีวิตข้าพเจ้าหลายท่านได้พบแล้วว่าความสนุกสนานเพลิดเพลินไปวันวันนั้นเป็นโจรต้นความดีในตัวคนไปทีละน้อยทีละน้อย ข้าพเจ้าคิดว่าเราน่าจะลองเที่ยวไปตามสำนักของคณาจารย์ต่างๆที่ตั้งสำนักสอนลทธิอยู่เราอาจจะได้ความคิดอะไรใหม่ๆจิตใจของเราอาจจะสงบพอที่จะมองเห็นชีวิตและสาระแห่งชีวิตที่แท้จริงบ้างสองสหายมีความคิดตรงกันและปรึกษากันอยู่นานว่าจะทําอย่างไรในที่สุดก็ตกลงกันว่า จะเที่ยวจาริกไปสนทนากับนักบวชเจ้าระทิจต่างๆหากชอบใจสนักใดก็จะยอมตนเป็นศิษย์ศึกษาธรรมอยู่ในสำนักนั้นแลแล้วสองสหายก็เที่ยวออกตระเวนสนทนากับนักบวชเจ้าละทิต่างๆเวลานั้นมีคณาจารย์เจ้าระทิใหญ่อยู่หกคนคือปุรณกักสตะมัคคิิโคสาราอชิตะเกศก ร, รมพลปกุดพระกจายะ สัญชัยเวรัตบุตรและอุคลตนาตบุตรอุปติศและโกริตาพอใจในคําสอนของสัญชัยเวรัตบุตรจึงยอมตนเป็นติดศึกษาธรรมอยู่ในสำนักนั้นขอบวชเป็นปริภาชกเช่นเดียวกับอาจารย์สัญชัยต่อมาก็มีบริวารออกบวชติดตามอุปติศมีบริวารห้าร้อยและโกริตาก็มีบริวารห้าร้อยเช่นเดียวกัน เขาศึกษาลทัทธิธรรมในสำนักของอาจารย์สันชัยจนหมดสิ้นแล้วเมื่อทราบว่าอาจารย์มีความรู้ที่เขาจะเรียนได้เพียงเท่านี้เขารู้สึกว่าไม่เพียงพอแก่ความต้องการเพราะไม่อาจทําให้เขาพ้นทุกได้จึงลาอาจารย์เที่ยวเที่ยวไปในชมพูทวีปอีกเที่ยวถามปัญหาต่างๆกับอาจารย์ต่างๆแต่ไม่อาจได้รับคําตอบเป็นที่พอใจปัญหาใดๆที่พวกคณอาจารย์เหล่านั้นถาม อุปติศัก์และโกริตาก็ตอบได้สิ่งในที่สุดเมื่อไม่ได้รับผลสมความมุ่งหมายสองสหายจึงผลกลับมาขออาศัยในสำนักของอาจารย์เดิมไปก่อนจงกว่าจะแน่ใจว่าพระตุทธปฏิปันพุ่มปิดหนลาไปเมืคอกี้ท่านผู้เจริญบวชในสำนักของใครหรอือใครเป็นศาสนาของท่านท่านชอบใจธรรมของใครดูก่อนผู้สแสวงหาความจริง ข้าพเจ้าบวชอุทิศพระผู้มีพระภาคผู้ออกบวชแล้วจากศักยตรกูลโคธมาโครดข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระองค์ท่านชอบใจธรรมของท่านท่านผู้เจริญก็นำบอกข้าพเจ้าได้หรือไม่ว่าพระาศาสดาพระองค์นั้นสั่งสอนธรรมอย่างไรอาวุโสข้าพเจ้าบวชแล้วในธรรมใหญ่ของท่านไม่นานนักได้อาจแสดงธรรมนั้นแก่ท่านโดยพิสดารได้ พ้ากุเจ้าข้าพเจ้ามาตรงการมากมายอะไรดอกข้าพเจ้าต้องการแต่ใจความเท่านั้นถ้าอย่างนั้นจงตั้งใจฟังเถิดข้าพเจ้าจะแสดงแต่โดยย่อแล้วแล้วพระอศัศจิจึงแสดงหัวใจแห่งอริยสัจสี่แก่อุปติสักปริพาชกว่าสิ่งทั้งปวงเมื่อจะเกิดย่อมเกิดแต่เหตุคือมีเหตุให้เกิดเมื่อดับ ก็ดับเพราะเหตุเพราะ ต, าตระท่าขดผู้เป็นศาสดาของข้าพเจ้าตรัสอย่างนี้ จมแจ้ ง, จง่วถึงว่าเราธรรมวินัยของพระาศาสดาพระองค์ใหม่ดียึดเหตุผลเป็นหลักคําสอนของท่านไม่โยนไปให้เทพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบเหมือนาศาสดาเจ้าลัที่อื่นเมื่อพิจารณาไปก็เห็นจริงและแจมแจ้งขึ้นว่าผลทั้งปวงย่อมมีเหตุเหตุทั้งปวงย่อมก่อให้เกิดผล ไม่ลังเลสงสัยในเหตุผลอันมีความสัมพันธ์เป็นลูกโซ่อีกต่อไปแสงสว่างแห่งสัจจะได้ลอดเข้าไปในดวงใจของอุปติสาได้เป็นโสดาบันบุคคลแล้วจึงถามพระอัศชิกว่าท่านผู้เจริญบัดนี้กระผู้มีประภาคพระองค์นั้นประทับอยู่ที่ใดดูก่อนผู้แสวงหาสัจจะห่างจากนี้ไปไม่ไกลนัก มีสวนไผ่อันรุ่นรุ่นแห่งหนึ่งเดิมที่เป็นพระราชชุดยานของพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนาแห่งแงค้์มาโคดพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระภิษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประทับอยู่ณที่นั้นอุปติศักประคองอัญชลีไปทางทิศที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่แล้วกล่าวว่าท่านผู้จเจชิญื่องหน้าไปก่อนเถิดข้าพระเจ้าจะไปชวนสหายก่อน แล้วจะตามไปที่สวนไผ่ในภายหลังอุปฏิสสรได้กลับไปบอกโกริตะสหายรักถึงธรรมที่ตนบรรลุแล้วและได้แสดงธรรมตาม ท, าที่ตนได้ฟังมาจากพระอาาัสสกีให้โกริตาฟังจนโกริตะได้สําเร็จเป็นโสดาบันแล้วแลแล้วทั้งสองไดบอกเรื่องราวนั้นให้อาจารย์สันฉายทราบชวนอาจารย์ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค อาจารย์สันชัยถามว่าในโลกนี้มีคนฉลาดมากหรือว่ามีคนโง่ามากอุปติสารและโกริตาตอบว่ามีคนโง่ามากกว่าคนฉลาดถ้าอย่างนั้นพวกที่ฉลาดจงพากัาไปหาพระสมณะโคโดมเถิดเราจะอยู่กับคนโง่โง่อาจารย์สันชัยพูดแตกต่างโบปติสารและโกริตา ออกจากบริภาชการามนั้นสาวกของอาจารย์สัญชัยขึ้นหนึ่งก็ติดตามไปด้วยเมื่อรวมบริวารของสองสหายเข้าด้วยกันก็เป็นหมู่คนจานวนหญ่พวกเขาไปเฝ้าพระศ า, าสดาเวรุวนารามเมื่อได้ฟังพระธรร ม, มเทศนาแล้วบริวารได้สำเร็จเป็นอรหันต์หมดล้วแต่อุปติสสะและโกริตตะเท่านั้นได้เพียงโสดาปฏิผล เท่าที่ได้มาจากสำนักของพระอัสชิทั้งหมดขอบรรดาชาอุปสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาคเมืได้อุปสมบทแล้วเจ็ดวันโกริตะกหรือนินา ม, มัยที่เป็นพรหมจรีเรียกในธรรมวินัยว่าโมคลานะเพราะเปบุตรนายโมคลีก็ได้สำเร็จอรหัตผลส่วนอุปติสัรรู้ภาษารีบุตรบุตรแห่งนางสารีเมื่ออุปสมบทแล้วได้สิบห้าวัน พระผู้มีพระภาค้ทับอยู่ที่ท่านสุราคาตาคามิจกตลท่ทททานวลยงานพักพระพุทธองคอยู่ ลุของตนมาบวชในสมณคของพระผู้มีพระภาคจึงติดตามมาชวนพระพุทธองค์สนทนาแบบควรโทรสาบว่าพระโกดกข้าพเจ้าเห็นว่าสิ่งท่านวงไม่ควรแกขร่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่พอใจหมดพระพุทธองค์ตรัสว่าถ้าอย่างนั้นความเห็นอย่างนั้นก็น่าจะไม่ควรแก่ท่านท่านควรจะไม่พอใจความเห็นนนั้นเสียด้วย มีคณะปริภาชกนิ่งอึ่งไปพระผู้มีพระภาคจึงกับต่อไปว่าอักขิเวศนะคนที่เห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ตนตนไม่พอใจหมดดันเอียงไปในทางเกลียดชังสิ่งทั้งหลายคนที่เห็นว่าสิ่งถั้งปวงคนรแก่นตนตนพอใจหมดดันเอีงยงไปทางกำหนัดรักไข่สิ่งทั้งหลายส่วนคนที่เห็นว่า บางอย่างควรแก่ตนตนชอบบางอย่างไม่ควรแก่ตนตนไม่ชอบนั้นย่อมกํำนังรักไข่ในบางอย่างและเกลียดในบางอย่างทั้งหมดนี้ล้วนเป็นความไม่เหมาะสมไม่ควรทั้งสิ้นอัคคเวสนะพราะจะทาคตกล่าวการปล่อยวางไม่ยึดมัน่นถือมั่นสิ่งทังปวงว่าเป็นธรรมอเลิศสิ่งใดที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ก็เข้าไปเกี่ยวข้อในฐานะเพียงอาศัยและรู้เท่าทันโมหันใดที่เขาพูดกันในโลกก็พูดตามโมหานนั้นแต่ไม่ยึดมั่นถีอมั่นด้วยทิฏฐิต่างๆอย่างนี้ก็จะอยู่ในโลกอย่างปลอดโปร่งสบายใจไม่ต้องทราะวิวาดกับใครพราะทิฏฐิของตนพระสารีบุตรซึ่งนั่งถวายงานพัดอยู่เบื้องพระปิตรดางแห่งพระบรมศาสดา ได้ฟังพะธรรมเทศนาที่กรัดแก่ทีะคณกะปริพาชคนั้นตำณฑว่าพระาศาสดาจัสสอน้ลกการยึดมั่นเมื่อท่านพิจารณาด้วยปัญญาอันยิ่งของท่านจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงสม็จ เ, เป็นพระอรหันต์ส่วนทีนะคณขะเพียงแต่ได้ดวงตาเห็นธรรมซึ่งความสงสยัยคล่บแคงให้กับพุทธศาสนา ทูลสังเสริญพระธรรมเทศนาและสแสดงตนเป็นอุบาสกว่าพระเจ้าข้าพาสิทธิจัดนี้ไรอะนักพาเศที่จัดนี้ไรอนดนั ก, นกพระองค์ได้ทรงประกาศธรรมให้ข้าพระพุทธเจ้าทราบโดวยวิธีเป็นอันมากดิดบุคคลหายของที่ควัำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางและส่องประทีไปที่มืด ให้คนมีจักรฟุกได้เห็นรูปข้าพระพุทธเจ้าขอถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะขอพระองค์จงจำข้าพระพุทธเจ้าไว้ว่าเป็นอุมาศึกถึงพร ะ, ระตรัรใยเป็นสารณะตลอดชีวิตตั้งแต่บัดนี้จนถึงไป